นี้คุณบอยมาพร้อมกับประสบการณ์ตอนที่ไปทํางานฉีปลวกที่เป็นลูกค้าจากคุณลุงท่านหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านกลางบึงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คอ่านะฮะคุณบอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ ผมอยู่ที่เกษตรน้มินครับผมอยู่ที่เกษตรน้อมินณตอนนี้นะนะฝนตกไหมฮะแถวแถวแถวนู้นตอนนี้เอ่อไม่ตกนะพี่แต่ท้องฟ้ามันแดงจําเลยใช่เรนบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ฝนเริ่มตกแล้วไม่แน่ใจว่าจะตกตอนดึกหรือเปล่าใช่นี่ยครับอ่ะมาว่าถึงเรื่องนี้ครับแน่นอนว่าไปประสบการณ์ย้อนกลับไปตอนที่ทํางานฉีดปวกอยู่ใช่ครับผมอันนี้เป็นลูกค้าของคุณลุง เป็นเป็นเป็นลูกค้าที่เป็นคุณลุงท่านหนึ่งอ๋อเป็นลูกค้าที่เป็นคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเขาว่าจ้างให้เราไปฉีดปลวกที่บ้านเขาอ่าใช่ครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้มาครับผมเป็นยังไงครับไปเจออะไรมาคุณบอยเชิญฮะย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นคือผมกับเพื่อนอยู่ที่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศคะครับออฟฟิศที่ที่ทำบริษัทกำจัดปลวกที่กันนั่นแหละครับ มันเป็นช่วงใบบ่ายของมันหนึ่งที่แบบเงี้ยนะครับยังไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่อะไรยังไงก็มานั่งดูเอกสารกันโดนีนั่นคสักพักนึ่อมีโทรศรัพท์ลึกลับนะครับตงรงนี้บนลึกลับถางดีกว่าเพราว่าโทรศรัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยมันไม่โชว์เบอร์อืซึ่งซึ่งซึ่ ง, ง, งเพื่อนผมเป็นคนรั บ, รบก็ตกใจว่าทําไมโทรศรัพท์เนี่ยมันมันถึงไม่โชว์เบอร์มันมันมันน่าแปลกมันเป็นเบอร์พิเศษหรือเบอร์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็โชวยผมดูนะอืผมก็บอกก็ออลองรับไปดูก่อนละกันเผื่อมันมีธุระสำคัญอะไรอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรอืก็รับไปนะครับในจังหวะที่รับไปเนี่ยเพื่อนก็ฟังแล้วก็อึง้งก็อึ้งไปพักหนึ่งผมก็ถามว่าอที่รับไปเนี่ยมั น, ม, นมันมีอะไรผิดแปลกเหรออืมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เนี่ยคือเขาไม่ได้พูดนะพี่แต่เขาสั่งผมว่าประมาณว่าก็ไม่รู้มันยังรูมัมคืออะไรอืม สักพักเขาก็เอาโทรศัพท์มาแล้วเปิดสปิทคอโฟนพี่โทรศัพท์อ่ะมันเหมือนมันมีเสียงลมเออพี่เคยไปยืนกลางกลางกลางหญ้าทางสนามหญ้าหรือกลางแบบทุ่งหญ้ากว้างๆเลยครับมันจะมีลมกโกลกแบบนั้นแ่ะเสียงแบบนันเลยเสียงมันจะมากระทบในโทรศัพท์เหมือนเหมือนกันนะเวลาคุยโทรศัพท์กับใครแล้วใครอยู่หน้าพัดลมเสียงประมาณนั้นใช่ไหมเสียงมันจะประมาณนั้นเลยครับบุกเข้ามาจริงทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอะ ใค ร, ครเขาคุยหน้าพัดลมหรือเปล่าหรือเขาอยู่ลานกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเพื่อนก็พยายามฮัลโหลฮัลโหลในขณะที่เปิดสปิทคอโฟนนะครับก<ถ>็ฮัลโหลฮัลโหลแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรสักพักโทรศัพท์ก็กตัดไปก<ถ>็ตัดไปเสร็จก็ามานั่งคิดไอ้ใครโทรมาเขาคงแก้งอะไรไม่มีอะไรหรอกอืไอย่าเงี้ยก็วางไปก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตรวจเอกสารต่อ<ถ>สักพักนึงไม่ถึงไม่ถึงห้านอืีโทรศัพท์ก็กถูกโทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเ<ถ>บอร์ก็ไม่ได้โชว์นะพี่ ในคราวนี้ยเสียงเหมือนเดิมเลยคือมันเป็นเสียงลมเสียงลมอู้ อ, อูเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็พยายามฮัลโหลฮัลโหลอย่างเงี้ยฮัลโหลไปเรื่อยครับสักพักนึงมันมีเสียงเสียงหนึ่งโผล่ขึ้นมาในโทรศัพท์อเป็นเสียงชายแก่คนหนึ่ง uh huh. เขาถามว่ารับกําจัดปวกใช่ไหมเสียงแก่ๆช้าๆนะพี่บอกรั บ, บกําจัดปวกใช่ไหมออ่าใช่ครับใช่ครับรับกําจัดปวกอ๋อ อยากให้ช่วยมาดูแลบ้านให้หน่อยครับาาเพื่อนบอกสงสัยไม่มีอะไรแล้วก็เลยตัดสปิกรโฟนไปแล้วก็ใช้วิธีการพูดแบบยกหูฟังเอาออนะครับเขาก็จดที่อยู่ว่า อ, อ๋อตรงนี้นี่เองโอเคโอเคครับโอเคครับถ้ายังไงเนี่ยตอนนี้คือผมว่างอยู่แล้ผมขออนุญาตไปดูเช็คสถานที่ก่อนแล้วกันว่าแนวการทำ ง, งานของเราจะเป็นยังไงนะก็คุยเสร็จแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอมากครับที่ไว้ใจใเราแล้วก็วากหูไป เพื่อนก็บอกว่าอ๋อเป็นลุงคนหนึ่งลุงคนนึงเข้าโทรมาเขาบอกว่าเขาต้องการใช้บริการทำฉาบปู๋เขอบ้านเขาว่าเป็นบ้านไม้นะครับแล้วมันเหมือนมันมีปวกขึ้นมาเขาอยากให้มาดูหน่อยว่าเอาพอจะมีวิธีการป้องกันอะไรได้บ้างไหมครับนะครับโอเคผมก็เลยถามว่ามันอยู่ที่ไหนหมออ๋ออยู่สลบับบุรีอืมเอ้อไหนๆก็ไม่มีอะไรนะเราก็ไปกันเลยดีกว่าอตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามที่ครับนะครับ ก็ขับรถกันไปเอะระหว่างทางเนี่ยผมผมก็ไม่รู้แนวเปอร์เซ็นทางไปยังไงอะไรยังไงบ้าง mm hmm. แต่ผมก็ตื่นอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้เพื่อนเนี่ยมาจอดอยู่หน้าทางเข้าทางเข้าที่ลุงในจังหวัดสระบุรี mm hmm. นะครับแต่เพื่อนเขาไมอยู่ในรถและว mm hmm. เพื่อนลงไปถามใครก็ไม่รู้ตรงป mm ิน hmm. ทางผมก็ตื่นขนมางงๆเขาก็ถามว่าเออมันมีอะไรหรอ mm hmm. เพื่อนบอกว่าที่อยู่ที่ลุงเขาให้มาเนี่ยมันหามไม่เจอ mm hmm. มันหามไม่เจอ เขาบอกให้ไปทางนี้แล้วก็เข้าไปทางทางที่มันมีป้ายบอกบอกบอกเลขที่ยี่สิบแปดอะไรไม่รู้สักอย่างครับนะครับเพื่อนบอกเขบอกว่ามันหาไม่เจอมันไม่มีป้ายนี้อยู่บนถนนเลยมันมีแต่ทุ่งหญ้าสองข้างทางยาวไปเลยอะ่ะก็เอาไงดีนะเราสองคนก็เลยขึ้นรถนะครับแล้วก็พยายามขับตะเวนตะเวนหาแบบบ้านคนที่พอจะถามได้ว่าไอ้ซอยเนี้ยมันมีอยู่แทวนีจริงจริงหรือไม ก, nope. ก็ขับไปได้สักพักหนึ่งพี่ไปเจอร้านร้านโชว์หวยร้านเป็นร้านเล็กๆกันเป็นเหมือนเป็นเพลิงมากกว่าเป็นเพลิงที่ขายพวกแฟบพวกยาสีฟันพวกขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มียายคนหนึ่งอยู่ในร้านนั้นนะฮะเพื่อนผมก็เลยลงลงไปแล้วก็ไปถามบอกคุณป้ายายอ่ะยายเขาก็อึ้งๆนะเขาก็ยืนอึ้งแล้วเขาก็ชี้ดียวบอกว่าเนี่ยไอ้นุ่มเห็นต้นไม้ต้นล้มไหมคือมันเป็นต้นไม้ ต้นไม้สูงมาจากพื้นที่เตี้ยครับแต่มันเป็นต้นไม้ที่เห็นได้ชัดในเขาเรียกอะไรในหมู่กองหญ้าที่แบบหญ้าสองข้างทางออะ <c oughs> มันจะมีต้นไม้แค่ต้นเดียวเขาบอกว่าทางเข้าอยู่ตรง น, นั้นอพูเ <c oughs> อ้าวเราก็ขับรถกันมาตั้งนานทําไมเราไม่เห็นซอยนั้นฮก็ <c oughs> โอเคก็ได้ขอบุญยายยายก็เลยบอกว่าไ <c oughs> อ้ <iman> นุ่มตอนเนี้ยมันดึกแล้วถ้ายังไงเนี่ยเข้าไปในเมืองแล้วไปหาที่พักก่อนดีกว่าไหมแล้วรุ่เ <c oughs> ชา้าค่อยเข้าไป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อไม่เป็นไรครับอาผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคมมาดูแป๊บเดียวกคงไม่มีอะไรอดูแป๊เดียวแล้วก็กลับแล้วก็เกิดเดี๋ยวจะไปพักในเบืองต่อแล้วก็รุ่งเช้าก็จะมาต่อเขาทางานครับก็เข้าไปกับรถเข้าไปแล้วปรากฏว่าพี่มันเป็นซอยจริงๆอืมแต่มันเป็นซอยคือมันเป็นซอยที่มันไม่ได้กว้างมากอืมันเป็นซอยลักษณะที่แบบว่าเป็นรถกระบะที่เข้าไปแล้วเหลือช่องจากซ้ายจากตัวรถกระบะซ้ายและขวาอย่างละไม่ถึง ไม่ถึงหนึ่งเมตรได้สำเร็จพอดีคันรถเลยเกือบพอดีคันเลยนะพี่พอเข้าไปออืก็จากปากซอยนะพี่จงทงถนนหลวงอนะ่ะจากปากซอยนะเข้าไปเข้าไปในซอยนะที่ยายคนนั้นเขาชี้ให้ครับผมใช้เวลาขับจากปากซอย น, นั้นความคันเกือบยี่สิบนาทีลึกมากออืแล้วพอขับเข้าไปพี่สองข้างทางมานมีแต่ต้นหญ้าเหมือนกับตอนที่เราวิ่งอยู่บนถนนหลวงมันสองข้างทาง เหมือเป็นต้นย่าเหมือนกันอ อ, ออืเก็เออแปดใจมันจะมีบ้านคนอยู่ในนี้จริงๆเหอรอก็ผมพยายามถามเพื่อนหมอือลุงคนนั้ น, นะเขาให้ที่อยู่มาถูกได้นะ อ, อ, อ, อนอี่ถูกสิถูกสิก็ไปถามยายยายเขาชีมา้มันอยังชี้มาทางนี้อยู่เลยโอเคในในกันไหนไหนนะเข้ามาแล้วก็เข้าไปครับก็เข้าไปใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีพี่จนสุดท้ายคือเรามันเจอทางตับ แต่มันไม่ใช่ทางตันที่แบบเป็นหินหรือเป็นกำแพงอะไระเป็ น, เ ป, นเป็นทางตันลักษ่าเหมือนเป็นกำแพงต้นญ้าอืกำแพงต้นยา่านี่ยเราก็เปิดประตูแล้วก็ลงไปแล้วก็อา้อาวอ้าวมันมันตนันดิมันไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือ ย, ยังไงต่อไงก็พยายามสำรวจก็พยายามยืนมองว่าตกลงเรามาถูกทางหรือเปล่ามันให้บังเอิญว่าเพื่อนผมอะไปเหตุทางเอา่า พื่นผมว่าไปเห็นตรงทางพื้นซึ่งมันเป็นทางพื้นลักษณะมันเป็นทางสําหรับคนเดินครับพี่ในภาพบอกไหมครับฮอ่าฮะคือทางพื้นอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นทางเดินของคนที่เดินเข้าไปแต่ปรากฏว่าอีญ่าเนี่ยมันสูงออืมันสูงซะจนไอ้พวกต้นใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันทับทับกันทําให้มันมืดคึมคึมมองไม่เห็นทางเดินออืโอเคสงสัยตรงนี้แหละที่มันเป็นจะเป็นทางเข้าไปครับตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมผมไม่ได้สงสัยว่า ทางแบบเนี้ยเราควรจะเข้าไปดีไหมเออคือถ้าทางแบบเนี้ยคือมันเหมือนเป็นทางปิดแน่นอนว่าถ้ามันเป็นทางปิดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องไม่มีการผ่านเข้าออกโดยคนมานานแล้ว<ช>ถูกไหมฮะใช อ, อใช่ออออบวกกับความสูงของต้นหญ้าก็ไม่น่าจะมีคนที่แบบจะเข้าไปได้อะไรครั บ, รบแต่นึกเอะใจอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็เดินเข้าไปกับเพื่อนเนาะถือเอกสารเข้าไปแต่ยังไม่ถืออุปกรณ์อะไรนี่อยู่นี่เอกสารเข้าไปก็พ ย, ยายามแหวกหญ้า แหวกหญ้าไปเรื่อยๆ <Ừ. S 2> แล้วก็จริงๆเลยพี่คือคพอแหวกหญ้าไปเสร็จเน่ยเห็นมันเป็นทางเดินจริงๆอ <Ừ. S 2> มันเด่งทางเดินประมาณเมตรหนึ่งซึ่งต้นหญ้าใบหญ้าเนี่มันคุมหมดเลยออืเมตรหนึ่งเนี่ยคือความกว้างก็มีเมตรหนึ่งเราก็เดินต่อแถวกันไปครับครับผมไม่นานนักเนี่ยพี่ปรากฏว่าพอเปิดออกมาโอ้โหมันเป็นพื้นที่ลานกว้างออืและแน่นอนพี่มีบ้านคนมีบ้านคนอยู่ข้างใน ใช่ครับมันมีบ้านคนอยู่ข้างในตอนนั้นประมาณสักกี่โมงนะฮะโอ้โหตอนนั้นอประมาณเกือบห้าโงเย็นแล้วพี่อ๋ออ๋นะฮะเกือบห้าโมงเย<ค>็นซึ่งห้าโมงเย็นทางจังหวัดเนี่ยมันก็เริ่มจะมืดแล้วอือืแล้วก็พระอาทิตย์เริ่มตกท้องฟา้ามันก็เริ่มแบบแดงๆเจริเชื้อแดงๆโอเริ่มคืมเรื่อย ๆ, ๆอ<ช>ครับพี่ครับทีนี้ก็เข้าไปแล้วเจอจริงๆคือมันเป็นเจอเป็นบ้านคนเป็นบ้านไม้นะพี่นะครับลักษณะคือหันด้านข้างให้กับทางทางที่เราเดินออกมา เดินออกมาจากบ้านญาตที่จะเป็นลานกว้างที่มีบ้านหลังหนึ่งซึ่งหันข้างให้กับเราฉะนั้นประตูอ่ะมันจะถูกหันไปด้านซ้ายเราจะมองไม่เห็นทางเข้าประตูเราจะเห็นแค่ลูกเหล<ม>ือกครับมันเป็นบ้านไม้ที่อใหญ่พอสมควรนะครับ응응แล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเหมือนเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยตั้งติดอยู่กับอยู่กับกําแพงไม้ซึ่งอยู่ข้างนอก ต, ต, ตัวตัวบ้านติดกับตัวบ้านข้างนอกนะฮะ แล้วก็จะมีเหมือนเป็นจิงช้าเป็นจริงช้าสําหรับให้เด็กมานั่งไกวเล่นอะไรประรมาณนี้ยนะครับก็เอ๊ะหรือว่านี้คือบ้านลุงของเขา <c oughs> ที่เขาติดต่อมาด้วยความไม่รอช้าผมกับเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปยากคอประตูอืมอมึงไม่ได้หรอกประตูมันก็ถูกเปิดออกอืออืรับพกเข้าไปนะพี่คือ ในบ้านอะ่ะมันเก่ามากเฟอร์นิเจอร์ทุกๆอย่างมันแทบจะชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้อีกทุกอย่างมันดูเก่าหมดมีทั้งตุกแก ม, มีทั้งนะตุกแกนี้มีประมาณ 5-6 าหกตัวเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็มีงูสำคัญคือมีงูเลยกันเต็มไปหมดเล ย, ยและบนคือบนฝ้าเนี่ยเขาไม่มีฝ้านะพี่มันเป็นลักษณะเหมือนหลงังคาโป๊อเออ ม, มันมีนกเต็มไปหมดเลย โอ้ลักษณะนี้คือบ้านร้างชัดๆนะเนี่ยเป็นบ้านร้างพี่เป็นบ้านร้างอะ่ะครับแล้วคือพอเข้าไปมันไม่มีไฟแล้วมันมีไฟ แ, ลแหละไฟของตัวบ้านแต่เราเราเตอร์างนไม่ติดผมก็เลยเอาเื่อรกับว่าเพื่อ น, นเอาอะไรเอาไปฉายฉายเข้าไปข้างในครับบ้านก็ใหญ่เลยพี่แต่มันมีเหมือนชั้นเดียวที่มันมีครบเซ็ตเลยก็คือมีโต๊ะกินข้าวนะครับมีมีเอตียงนอนมีตูเ้เสื้อผ้า มันดีเตาอีนั่งนะฮะเตียงนอนเนี่ยผ้าปูที่นอนที่ขาดวุ่นแบบสกปรกหมดแล้วอืผมกับเพื่อนก็เดินเข้าไปสำรวจในบ้านเพื่อพยายามจะหาลุงนะฮะเผื่อจะยุ่งลุงจะอยู่ในบ้านบ้านก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างงทีเดียวคแต่ปรากฏว่าพอเดินหาไปหามามันก็ไม่เจอนะครับ อยดีๆเพื่อนผมก็แข็งเลยตัวแข่งขึ้นเลยครับแล้วก็ฉายไฟฉายไปที่เพดานผมว่าเฮ้ยมันตกใจอะไรวะเฮ้ยไปเจออะไรจะเจอตุกแกเหร อ, อก็เลยหันไปมองครับแสงไฟที่สาดส่องไปที่กําแพงพี่มันเป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งที่แขวนอยู่ตรงเพดานครับนะะเป็นตะแกคนหนึ่งพี่เรียกว่าตะแกดีกว่านะเพราะว่าแกมากเป็น ล, ลุงลูกแก่คนนึ่งอ่ะถูกแขวนอยู่บนนะครับแล้วข้างล่างอ่ะมันจะเหมือนมีลักษณะมีส้ม อมีบีส้มแล้วก็มีผลไม้อะไรที่มันเน่าๆแล้วว่ะพี่อออยู่ข้างล่างครับผมกับเพื่อนสองคนหันหน้ามองกันนะอืมโอเคไม่ใช่ละท่าไม่ดีละก็เลยก็เลยหันหลังกลับแล้วก็กลับกันพยายามออกจากบ้านแล้วก็ปิดประตูเข้าเหมือนเดิมแล้วก็จะออกไปทางที่เราเข้ามาหาเมื่อกี้นี้ที่ปรากฏว่าไอ้ทางที่เราหาเนี่ยมันไม่มีแล้วเอ้ยทางเดินหายเหรอ ใช่ทางเดินหายไปยเลยทางเดินมันหายพี่คือตอนที่เราเข้ามา<อ>ทางเดินชัดๆเลยว่ามันมีความกว้างประมาณเมตรหนึ่ง<ข>ซึ่งยังไงก็ต้องเห็นออแต่ปรากฏว่ามันหายไปแล้วมันหายในลักษณะคือแบบไหนแบบว่ามันหายไปเลยหรือว่ามีต้นไม้มาคลุมหรือยังไงต้นไม้มาคลุมพี่ต้นไ<อ>ม้มาคลุมจนทําให้ทางมันหายไปเลย้ย แล้วมันบวกกลับเาว่าประมาณตอนนั้นประมาณหกโมงแล้ววงคือหกโมงหกโมงครึ่งซึ่งมันมืดแล้วอพี่แสงสว่างมันคงไม่พออนะครับฉะนั้นก็ต้องฉายไฟฉากไปอย่างเดียวพยายามหาทางออกให้ได้หาไปหามาคือพอหาไปหามาเสร็จอนกมันเริ่มบินออกจากไอ้นี่ข้างใต้หลงังคาออเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยก็พยายามหันไปมองแบบสิ่งที่ผมเห็นก็คือประตูมันค่อยแง้มออก อืมพอแง้มออกเสร็จมันมีลุงคนหนึ่งอะเดินออกมาจากประตูพอเดินออกมาจากประตูแต่ไม่ได้เดินมาหาเรานะพี่เราเดินออกไปอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นหลังของลุงไวไวยด้วยความตกใจก็เลยรีบพยายามหาทางออกครับทางออกที่เราเข้ามาจงเจอที่เจอจริงๆนะฮะเจอจริงๆเสร็จคือมันเป็นทางบี๋นเล็กๆนิดเดียวเองซึ่งเราไม่สังเกตในความมืดอืก็เบี่ยงออกแล้วก็พยายามเดินออกมา คือเดินในแนวตรงอ่นะพี่ผมกับผมกับเพื่อนอ่ะเดินต่อแถวบ้างเพื่อออกมาทางไอ้ทางเมต ก, กว่านะครับเมตรนึ่งนะอ่ะความว่างมานะเพื่อวิ่งให้ไปถึงรบให้เร็วที่สุดแล้วก็จออกจากพื้นที่นั้นคคือในจังหวัดที่วิ่งมาผมกับเพื่อนอ่ะรู้สึกได้เลยว่ามีคนวิ่งตามวิ่งตามมาเพื่อนอ่ะหันไม่มองข้างหลังแล้วก็ร้องโวยวายแล้วบอกไอ้บอยยานไป่มองนะยานไม่มองแนละ้วก็โวยวายอย่างเงียยานไม่มองอ เออผมก็กลัวอยู่แล้วผมก็เลยไม่หันไปมอง ก, ก็เลยวิ่งอย่างเดียววิ่งแบบอุตลุดเลยช่งสุดท้ายคือออกมาจากโพรงตรงนั้นได้<อ>นะครับแล้วก็มาที่รถพ อ, อมาที่รถเสร็จก็เปิดประตูนู่นนี้นั่นเสร็จก็เข้าไปออืที่ปรากฏว่ากุญแจกุญแจสตาร์ทรถ<อ>มันหายไปอ้าวมันหายไปผมบอกว่าอา้าวแล้วกุญแจมันหายไปได้ยังไงเปิดประตูรถได้ยังไง ไม่ได้ล็อกรถหรอบอกงเงี้ยบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ทํำไมมันเปิดได้วะแต่กุญแจตอนนี้มันหายไปแล้วเอาทํายังไงดีล่ะก็เลยคิดอยู่แค่อย่างเดียวว่ากุญแจบางคนอาจจะต้องตกออืตกในทางนั้นนะอืะในทางที่เรากําลังวิ่งมาหรือไม่ก็ไปตกอยู่ในบ้านนี่แนะ่ทํายังไงดีละ่ะทีนี้ทีนี้คือมันทําอะไรไม่ได้พี่ก็เลยต้องนั่งอยู่ในรถนะครับนั่งอยู่ในรถประมาณชั่วโมงพี่ มันมีความรู้สึกบอกได้เลยว่ามันอึดอัดมากมากเพราะว่าสิ่งที่ผมกับเพื่อนนรู้สึกอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนมีคน่ะเดินรอบรถเลยครับแต่ไม่ได้เดินรอบรถที่เราเห็นนะพี่คือเดินอยู่ในพงหญ้าพี่นึกภาพออกไหมครับคือเขาเป็นเดินอยู่ในพงหญ้ารอบรอบที่อยู่รอบรอบรถใช่ครับออออแล้วก็เป็นคือในความมืดอ่ะผมสังเกตว่าผมเห็นแน่ๆคือมันเหมือนเป็นหัวคนออื คือย่ามันสูงจริงแหละแต่ประเทียมันแทนเป็นสูวนของหัวคนที่มันโผล่มาให้เห็นครับผมจําได้เลยว่าเป็นรูปอ่ะคือเป็นลุงคนนั้นแน่ๆที่ออกมาจากประตูนั่นแหละแล้วเขามันเดินรอบๆญ้าอ่าก็คด้วยความทิดทนไม่ไหวก็เลยก็เลยเปิดประตูมาซ้ายขวาแล้ววิ่งกันตรตลุดเลยนี่เดี๋ยวแล้วคุณคุณคุณบอยคุณบอยแป๊บหนึ่งนะฮะท่านไหนที่อ่าเมื่อสักครู่นี้สัญญาณมันมันหลุดไปนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณทางเฟซบุ o กไลฟ์เหมือนมันหลุดนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณบอยนะ นะฮะกำลังตื่นเต้นเลยเมื่อกี้หลายคนบอกว่ากำลังได้ยินเสียงคนวิ่งตามมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเออเมื่อสัญญาณมันหลุดไปนะฮะเออเดี๋ยวนะโอเคครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าหน้าดูเหมือนว่าตอนนี้สัญญาณหน้าหน้านานาจะกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอรอสักครู่หนึ่งขอให้มันรีเซ็ตสัญญาณก่อน อ่านะครับไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันมันหลุดไปช่วงไหนมันหลุดไปในช่วงตอนที่คุณบอยกับเพื่อนนะฮะกำลังจะหาทางออกนะครับของของบ้านครับผมนะครับแต่ปรากฏว่าทางเนี่ยมันหายไปจนกระทั่งหาไปสักพักหนึ่งนะครับเจอทางออกแต่ระหว่างที่กําลังหาทางออกมาเนี่ยนกมันบินในบ้านแล้วประตูบ้านเปิด พอประตูบ้านเปิดมีลุงคนหนึงเดินออกมาจากบ้านตอนนั้นเราไม่ได้ถามเลยว่าเฮ้ยลุงคนนี้ลุงเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าคือมันมันมันไม่ชอบมาพากลมันผิดปกติแล้วใช่นะฮะก็เลยพยายามที่จะหาทางออกจนกระทั่งเจอทางออกนะครับแล้วก็กําลังจะเดินมาปรากฏว่าตอนที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งมา<ช>เหมือนกับได้ยินบางสิ่งบางอย่างวิ่งตามมาข้างหลังใช่เพื่อนนะเห็นแต่เพื่อนบอกว่าบอย คนฮะมึงอย่าหันไปนะมึงอย่าหันไปนะใช่ใช่อ่าแล้วก็วิ่งออกมาจนถึงรถนะครับพอวิ่งออกมาถึงรถปรากฏว่ากุญแจรถหายโอ้โหยคุณคุณไปเจออะไรมาเนี่ยเออหลังจากนั้นก็ได้ยินคนเดินรอบๆที่เป็นรอบๆอบญาที่มันล้อมรถอยู่ใช่ครับอ่าในเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตรงนี้นะคุณผู้ฟังนะผมรล่าให้ฟังแล้วนะฮะโอเคต่อฮะคุณคุณ ค, คุณค บ, บอยอืมก็หลังจากที่ได้ยินเสียง เหมือนเป็นคนนะครับเดินเดินอยู่รอบๆรถซึ่งอยู่ในบริเวณต้นหญ้าที่มันสูงคือเรารู้แหละว่าเป็นลุงคนนั้นนะเพราะว่าเราเห็นหัวไวายคือต่อให้ต้นหญ้าสูงแค่ไหนเราก็จะเห็นแบบหัวแผมนๆหมอกมาวาเห็นในความมืดนะพี่คือมันทนไม่ไหวแล้วมันรู้สึกว่ากดดันแล้วก็จะประสานกินผมกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจเปิดมระตูวอกมาคู่เลยแล้วก็พยายามวิ่งออกมาจากจากตรงนั้นอ่ะเพื่อเพื่อมาหาทางถนนคือทางถนนหลวงนะพี่หลวง เราคิดแค่อย่างเดียวว่าเราจะต้องวิ่งไปหายายคนนั้นครับวิ่งไปหายายคนนั้นให้ได้เพราะว่ายายคนนั้นนะอ่ะเขาเขาเป็นคนคือเขาน่าจะเป็นคนพื้นที่เราก็น่าจะให้ความช่วยเหลือเราได้ครับอย่างั้นะเนก็ขอผักอาศัยสักพิดนึงอปรากฏว่าวิ่งไปอ่ะพี่วิ่งวิ่งไปมันเป็นเพิิงลาง้างอ๋อฮะเดี๋ยวตอนแรกที่เป็นบ้านยายคนนั้นนะนะใช่ครับที่บอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นร้านขายของอะนะ เป็นร้านขายของธรรมดาเนี่เลยมีทั้งผงผงซักฟอกแป้งสีฟันขนมขบเคี้ยวสบมพูแล้วก็มียายคนหนึ่งที่นั่งขายอยู่แต่ปรากฏว่าในนาคืนในนาทีนั้นะที่ผมวิ่งไปมันกลายเป็นเพลิงร้าง<อ>ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยร้างในที่นี้คือหมายถึงว่ามันร้างแบบว่าไม่ได้ใช้งานมานานแล้วอย่างนี้เลยเหรอมันร้างซะจงแบบถึงขนาดแบบไอ คือปกติเวลาเราเราสร้างเลือนขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ต้องมีกําแพงกระแพงไม้ใช่ไหมพี่ใส่กว่าข้างหลังแต่กําแพงไม้นี่มันสุดแล้วหลังคากระปิวคระปิวไปครึ่งอ่ะคือมันเสียวมาครึ่งนึงประมาณนั้นเลยครับออก็อ้าวแล้วยายเป็นไงแล้วเกิดอะไรขึ้นออก็เราสองคนก็ยืนแบบเหมือนกับยันยืนเสียสติอยู่ตรงทางถนนอ่ะสักพักหนึ่งมันมีรถสองแถวมาอรถสองแถวมาแล้วก็แบบ เหมือนพยายามปีนบินปีนปีนปีนแต่กายแรงพี่ผมก็วิ่งเข้าไปหาสองแถววิ่งเข้ามาหาสองแถวแล้วเขาบอกว่าพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยช่วยพาผมเข้าไปในเมืองทีพาผมเข้าไปในเมืองทีอย่างเงี้ยเขาบอกเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเร็วเร็วเร็วเร็วขึ้นมาเลยอ่าอ่เร็วเร็วด้วยเร็วเร็วด้วยเร็วเรขึ้นมาเลยผมกผมก็พื้นก็รีบขึ้นใหไอคือไม่ได้ขึ้นข้างหลังนะพี่พยายามยัดเข้าไปข้างหน้าที่เขานั่งรถตัวรับ ผมก็เพื่อนคงไม่มีสภาพจิตใจที่จะนั่งหลังแล้วเจออะไรต่างกับต่างคาะที่มันตามมาเขาก็พาเข้าไปในเมืองพาเขาไปจอดในซเว่นแล้วก็บอกว่าน้องสองคนมาทําอะไรกันตรงนี้มาทําอะไรกันที่นี่บอกโอพี่ผมไม่รู้จะเล่ายังไงบอกอืพี่เข้าใจเพราะแถวเนี้ยคนเขาเจอกันทุกคนเลยบอกเบอกเออตอนนี้ผมควรทำยังไงดีพี่ผมแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วไม่มีสติไม่มีอะไรแล้วเอางี้น้องพี่แนะนํานะ รองไปพาหาที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวรุ่งเช้าอ่ะค่อยว่ากันใหม่คนพื้นที่แถวเนี้ยน่ะเขารู้ดีหมดว่าตรงเนี้ยมันเกิดเห็มมุมันมีอะไระะมันมีอะไรอ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมกับเพื่อนก็พยายามตั้งสตินะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปคือไปหาที่พักอนะครับหาที่พักอําบน้อาบท่าแล้วก็มานั่งคุยกันสร้างแบบคือเหมือนแบบเสริมสร้างสติของตัวเองให้กลับมาเต็มร้อนเต็มแรก็กไม่ได้นอนอผมก็ น, นอนไม่หลับ มันพะวงกับอะไรสิ่งอะไรอย่างที้ี่ดึงเลยนะเฮ้ยสิ่งเราเจอมันเป็นผีหรือเปล่าใช่พี่ถ้าเจ็บถ้าเป็นผีก็โอเคแต่สองถ้ามันเป็นคนหลักอืเป็นคนที่มันร่วมร่วมกันมันหลอกเนี่ยตรงนั้นมันมีรถเราอยู่นะครับกุญแจก็ไม่กุญแจก็ไม่ได้ล็อกหรอกุญแจก็หายไปรถก็ไม่ได้ล็อกด้วยอะไรเอกสารอะไรต่างต่างนานอยู่ในรถหมดเลยเออมันก็คือมันทําให้เราเขียนได้สองแง่สองงาม<อ>ก็ รอจะลุ่งเช้าพอลุ่งเช้าเสร็จนะคือเปอเอิร์นก็ส่งแถวกันนะั้นนะเขาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เขาบอกว่าเทตอนเช้าอะมีอะไรให้ให้พี่ช่วยก็โทรมาเบอร์นี้เดี๋ยวพี่จะ น, นี้ขับรถไปให้<ถ>ลุ่งเช้ามาผ ม, มกับเพื่อนอ่ะก็เลยโทรไปหาพี่เขาเพื่อให้พี่เขาอ่ะพาพวกผมอ่ะไปส่งไปกลับที่เดิมอืมส่งไปที่เดิมที่พี่ผมไปเรียกเขาอล้วตอนงานรักวินนะพี่เขาก็พาไปพรากฏว่าพอพี่เขา พ, พาไปเสร็จ เ, เพื่อนอ่ะ เหมือนึกขึ้นได้ก็เลยบอกให้แวะไปตลาดให้หน่อยอย่างเงี้ยไปซื้อผว ก, วกุงมะไรพวกทูบเทียนพวกอะไรเงี้ยพวกส้มพวกผลไม้อ่ะซื้อมาสักสักตินหนึ่งหนึีแล้วก็มาครับอะครับเออพื่อนเขาผมก็เพื่อนผมก็บอกให้ผมให้พี่พี่ที่ขับรถมาให้บอกว่าให้ช่วยจอดตกเพิงนี้ก่อนอ๋อโอ้หูน้องจะไปจอดเพิงวิทยาลัไม่เอาไปจอดไกลๆหน่อยก็ได้บ่ะพี่ผมขอจอดเพิงนี้หน่อยน้องอย่าบอกนะว่าเ้องเจอยายอ ใช่ครับพี่อ้าวพี่ดูดิไงเออน้องถ้าน้องอยากทําอะไรน้องทำไปเลยทําให้มันเสร็จกระบวนการแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังทีเดียวว่าเอาเคอเคได้ก็ลงไปพี่ก็ลงไปเราก็เอาทูบอ่ะเอาทูบมาจุบแล้วก็เอาพวกผลไม้อ่ะมาเซนมาวายอย่างเงี้ยบอกยายแล้วเพื่อคิดในใจนะบอกว่าไม่ว่ายายจะเป็นอะไรยังไงเอเมื่อวานเนี้ยผมขอขอบคุณที่ที่ยายช่วยเหลือตรงนั้นข้อมูลให้อะไรเงี้ยมาไหว้ก็ปักกันไปหรือถ้าเกิดว่ายาย ยายมีอยู่จริงกับไหว้สำมะเวสีหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้คิดอย่างนี้นะครับเอคนขับรถเนี่ยเขาก็พาผมกับเพื่อนะเข้าไปในซอยนั่นอีกครั้งปรากฏว่ารถได้ยังอยู่นะพี่ยังจอดอยู่ที่เดิมยังจอดอยู่ที่เดิมประตูก็ยังเปิดค้างอยู่คืนก็ได้วิ่งเข้าไปในรถแล้วต้องเช็คของเช็คอะไรอ่ะคือในนั้นอ่ะมันมีทั้งอะไรนะบุกแบงนะครับสำคัญว่ามีทองอ เขาก็กลัวหายนะก็ก็ะเช็คๆว่าว่าเคยปรากฏว่าของอยู่ครบไปหมดเลยอออย่างเงี้ยบอกเออพี่ของอยู่ครบพี่คนขับรถก็แน่แหละและ้วใครมันจะมาแถวนี้ละ่ะออมันก็สร้างความสงสัยเราอยูอ่แล้ครับเ อ, อพี่ผมว่านะผมลุญแจรถอ่ะไม่ว่าที่บ้านหรือที่บ้านตรงนั้นอะบ้านไม้ตรงนั้นหรือก็เป็นทางที่เราวิ่งมาตอนคืนแน่เลยบอกโอ้หุณน้องทำไมันใจกล้ามากขนาดนี้ล่ะพี่ มันใจกล้าตรงไหนอ่ะมั น, ม, น, ม, น, ม, น ม, มันมีอะไรหรอน้องจะเข้าไปจริงๆริใช่ไหมครับใช่พี่ผมต้องเข้าไปเพราะผมไม่รู้ว่ากุญแจมันอยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือมันอยู่ระหว่างทางที่ผมวิ่งมาออืเขาบอกโอเคเดี๋ยวพี่เข้าไปเป็นเพื่อนโอ้โหยังดีเออก็ยังดีเลยพี่ที่เขาเขายังกล้าที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยเล่าสอนเราสามคนนะพี่ก็เดินเข้าไปแต่การเดินเข้าไปเนี่ยพี่เขาบอกว่าเห็นทางไหมเดินให้ตรงนะ เดินให้ตรงน ะ, อ, ะอย่าเดินเฉไปนะพอทําพี่มันเป็นอะไรเหรอเออเดินเดินให้ตรงเดินให้ตรงแล้วก็ดูตามทางด้วยว่ากุญแจมันหล่นอยู่ท<ถ>ี่พื้นหรือว่าถ้าเกิดเจอกุญแจที่พื้นเนี่ยก็ก็แสดงว่าเราก็ไม่ต้องเข้าไปที่ทตัวบ้านแล้วะจะได้ออกมาเลยอปรากฏว่าเดินจนไปถึงตัวบ้านก็ยังไม่เจอโอ้ยลุ้นจังเลยอ่ะออืก็ยังไม่เจอพี่สุดท้ายคือเราต้องแหวกญ้าจนมาเจอบ้านหลังเนี้ยโอ้โหพี่คือบ้านหลังนี้นะมันดู มันดูเก่ามากๆ uh oh. คือในตอนบ่ายที่เราไปกับตอนเช้าที่เราดูอ่ะคือมันคนละเรื่องกันเลยคร uh ับ oh. นะครับของทุกอย่างมันดูเก่าแบบออ uh ืโ oh. หถ้าพูดถึงคงประมาณห้าถึงหกสิบปีกันมาแล้วมั้งเน uh ี oh. ่ยบ้านหลังนี้นะพี่เออก็เข้าไปพยายามหากุญแจหานี่ก็เข้าไปเปิดประตูอ uh ื oh. ประตูมันไม่ได้ล็อกอยู่แล้วนะพี่ออเข้าไปเสร็จคือ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกรหรือนกอหรืออะไรต่างๆนานานัมันไม่มีแล้วค่ะอ้าวใช่ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับแล้วก็โอเคพี่ผมว่ากุญแจยอยู่ในบ้านนี่แหล ะ, อะลองเข้าไปดูหน่อยอสุดท้ายเจอจริงๆพีอเจอกุญแจยอยู่ตรงไหนอ่ะกุญแจยอยู่บนโต๊ะแล้วอยู่ใต้รูปของลุงคนนั้นเฮ้ยมันไปได้ไงวะนั่นสิพี่มันอยู่ที่ใต้รูปของลุงคนนั้นจริงๆมอนคือ พอพี่เขาเห็นุรูปลุงนั้นนะพี่เขายกมือไหว้เลยโอ้ลุงลุงลุงผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้เจตนาจะมานะลุงคือไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนาอย่ามาหาผมเลยนะนุ่นนี้นั่นแล้วเขาก็วิ่งออกจากบ้านไปเดินรอนอกบ้านครับผมกับเพื่อนก็แบบเอ้ยทำไมกุญแจ๋ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คือด้วยความงงด้วยความแตกใจเฮ้ยเมื่อคืนนี้ยเอากุญแจ๋ยมาวางไว้บนโต๊ะหรือเปล่าอบอกเปล่าใครจะบ้าเอาแจ๋ยมาวางไว้บนโต๊ะ ก็สำรวจแล้วก็ดูไปดูมาอย่างเงี้ยรกฏว่าคือลุงคนนั้นน่ะพี่ที่รูปที่ติดอะ่ะมันมีกากำกับเลยนะแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเวลาอะไรเท่าไหร่ขินว่าชาติตาและมรณนะอ่ะครับแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยคือหน้าลุงคนนั้นอะ่ะ กับรูปประพันธ์สันธานที่เป็นหัวเนี่ยมันชัดเลยว่าเป็นกับคนคนเดียวที่ออกเดินออกมาจากประตูนเที่เดินวนรอบรถเราอะนะแล้วก็เดินวนรอบรถเอาอด้วยความที่แบบว่าอะไหนๆก็มาแล้วแสดงว่าลุงเขาต้องการอะไรแน่ๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่โทรมาหาเราออืแล้วก็บอกให้เรามาดูลุ้นกับจักปลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คือพยายามพยายามจะตามติดเราอะพี่ออ เพื่อนลุงเขาน่าจะมีวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างอยากะจะให้เราช่วยจริงๆเพื่อนเขบอกว่าเฮย้ยเนี่ยเรามาถึงแล้วเรามาดูรอบๆบ้านเขาหน่อยไหมเพื่อนลุงเขาต้องการอะไระต้างการเราช่วยจริงๆปรากฏว่าเดินเดินดูรอบบ้านที่มุมเสาของบ้านอ่ะมันมีปลวกจริงๆออืแล้วมันเป็นเหมือนแบบกําลังก่อตัวมันเป็นเหมือนเป็นจะเป็นจอมปลวกเต็มๆนะครับโอเคเราก็มองหน้าครับลุงเขาคงต้องการให้เราทําแบบนี้แหละออืเออผมก็เลยช่วย ผมเพื่อนะก็เลยช่วยกําจัดไอ้ตัวนั้นออกไปแล้วก็ฉีดยาล็อบล็อบบ้านเขาให้ออืฮะฉีดยาล็อบล็อบบ้านเขาให้ฉีดไปฉีดตาที่เมื่อใต้เตียงอ่ะมองเข้าไป<อ> ก, าก็ไปเจอโทรศัพท์เจอโทรศัพท์ใช่ครับเจอโทรศัพท์<อ>เป็นเป็นโทรศัพท์ที่มันไม่มีแบตแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ใต้เตียงเป็นโทรศัพท์เก่าๆซ<อ>ึ่งมันเหมือนดึงคาบข า, ขาวๆอะไรติดเต็มไปหมดแล้ววะฮะเจอโทรศัพท์ โอเคเราก็คิดในใจว่ามันคงใช่แล้วแหะว่า ม, มันคงก็เป็นแบบนี้ครับก็เลยแบบดูแลให้ลุงเขานะครับด้วยความที่แบบว่าเราคิดกันเองนะว่าลุงเขาคงต้องการนั่นเราดูแลห่วอก็ฉีดไปฉีดมาแบบว่าเพื่อนอะนะฮะก็ว่าเอาพวกของพวกอะไรไหว้ไปไหว้ลุงเขาวิชี่นจุดธูปแบบลุงครับผมมาทําตามที่ลุงต้องการแล้วนะถ้ายังไงเนี่ยเราก็ไม่มีไม่มีอะไรจิดครั้งแล้วนะครับอยังไงก็ ขอให้ลุงช่วยแบบกิจการเฮงๆรวยๆนะลุงนะครับก็หลังจากที่เสร็จภารกิจไปเสร็จก็ออกมาจากนอกบ้านก็ไปเจอพี่คนนั้นซึ่งเขายูนอยู่ไกลๆบ้านนะครับอขอไปไปกันหรือยังอย่างเงี้ยครับต่บอไปเสร็จคือตอนที่เราพยายามหาทางออกคือดึงเลยนะที่เราอาจจะไม่ได้มาอาจจะไม่ใช่คนพื้นที่อฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าทางออกจริงๆแล้วมันควรจะต้องเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คนเนี้ยเขารู้อ เขาบอกคนนี้ตรงนี้มาตรงนี้แล้วเขาเราออกและย้ำเลยครับบอกน้องพยายามเดินในเส้นตรงนะอย่าเดินอย่าเดินเฉยซ้ายขวาซ้ายขวานะออืเพื่อเดี๋ยวมันทําให้ลงงมากกว่ากช่วอย่าดิเออทำไมเขาต้องย้ําคํานี้ไงนะคอับผมถึงบางอ้อเลยออกครับพี่มันเกิดอะไรขึ้นอธิบายผมฟังหน่อยโอเคได้พี่เขาในพาผมมันเดินไปจนถึงรถนะครับพอถึงรถเสร็จเขาก็เอาไม้อ่ะ ไม้ยาวๆอ่ะมากราดตรงบริเวณหญ้าที่แบบมันจะเป็นลักษณะกลมๆนี่พี่พี่รถกระบะก็จอดไปพอจอดก็จะเป็นทางแคบๆตรงไมปครับปรากฏว่าไอ้สองข้างทางแคบๆน่ะมันเป็นบึงอ๋อมันเป็นบึงใช่พี่มันเป็นบึงอ่อพี่เคยเห็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้โงเต็กไหมไม้โกเต็กไม้โกเต็กที่มันเป็นไม้ยาวๆไม้ไผ่ยาวๆอที่คุสมัยก่อนเขาจะเอามาไว้ตากผ้ายาวๆครับครับครับอ่ะฮะนั่นแหละ เออแย่เข้าไปในในบึงนั่นอ่ะบิดเลยหรอใช่ดีอ๋อที่เขาบอกบว่าให้เดินเส้นตรงคือถ้าเดินเฉปุ๊บตกน้ําตกน้ําเลยอ๋อแล้วก็บ้านหลังนั้นอ่ะถูกปลูกอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่กรุมคมซึ่งอยู่กลางบึงพดีเป็นบ้านกลางบึงกลางน้ําตามชื่อเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับหรอแล้วก็บอกว่า อ, อ่าลุงคนเนี้ย เขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาตกบึงโอ้โหตกบึงของตัวเองใช่ครับตกบึงของตัวเองเอแล้วก็มีศพลอยอื่นอยู่ตรงนั้นอะไรเงีเ<อ>้ยนะฮะมันบวกมันบวกกตรงที่ว่าลุงคนเนี้ยเขาอยู่กับยายสองคนครับนฮะอยู่กับยายสองคน<อ>แล้วถามว่าอ้าวแล้วยายเขาไปไหนปะ่ะ<อ>ยายอะยายเขาก็ขายของอยู่ตรงเพลินั่นแหละโอ้โหเหรอ ใช่ครับ <c oughs> คือตกลงคือยายเนี่ยแกเป็นภรรยาของลุง <S <S เป็นสามีภรรยาโอ้ย <S <S เออเออแต่การตายเขาว่าคือยายอ่ะเขาตอมใจตายอยู่ในในเพลิงนะครับเพราะว่าเขารักลุงเขามากแล้วเขาก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับลุงที่บ้านบึนะนะั่นแะแต่วันดีคืนดีคือลุงเขาว่าแบบจมจมน้าในบึงแต่วก็เสียชีวิตไปอยายเขาว่าแบบขาย ด้วยความที่อยู่คนเดียวอนะครับเพราะคงเงาแล้วก็แบบตอมใจแล้วก็ไปอยู่ในเพิงนั้นเลยออืเพิงนั้นก็ล้างมาโดยชิ้นเชิญองใครที่แบบว่าไม่ได้ใช่คนพื้นที่นะครับผ่านไปผ่านมาบางทีแจ็คพอตอาจจะเจอยายกํลาลังขายขอให้ก็ได้อซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่พอเขาผ่านพื้นที่นี้มาเข<ช>าเขาจะเร่งความเร็วและเขาไม่จอดใครก็ตามที่มายินบอกเนี่ยเขาจะไม่รับพราะเขาลูกเพราแต่ก่อนเนี่ย จะมีแค่สองคนเนี่ยคือตากระยายที่โบรถสองแถวเพื่อเข้าไปในตัวเมืองแต่ตอนนั้นคือรถสองแถวที่ที่มาคือจังหวะว่าเขาขับผ่านมาพอดีขับผ่านมาพอดีใช่พีแล้วขับด้วยความเร็วอที่เขาต้องปีนปีนเนี่ยคือมันเหมือนกับทริคที่เวลาเขาผ่านโค้งก็คปีนเพื่อทับทายเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับประมาณนั้นละพี่เขาบอกโอเคอีกอีกอีกอีกช็อตหนึ่งตอนที่ เราวิ่งออกมาเราเพื่อนบอกว่าอย่าหันมาอย่าหันมาแสดงว่าตอนที่เพื่อนเห็นอะไรดิอ๋อเห็นเห็นลุงครับกําลังลอยมาลอยมาเหรอลอยตามมาเลยโอ้โหลอยตามมาแล้วตาตาลุงเนี่ยคือตาแบบตากว้างๆแบบเบิกเบิกตากว้างๆและเห็นเป็นตาขาวๆแล้วลอยตามมาในความเร็วของเราที่เรากําลังวิ่งออกไปครับอเขาถึงไม่ให้ผมหันไปมองเพราะถ้าเกิดผมหันไปมองหนึ่งเลยนะผมอาจจะตกเป็นตายก็ได้ด้วยความตกใจ โอ้ยตื่นเต้นจังเลยเรื่องเนี้ยลุ้นมากอ่ะผมลุ้นตามคุณบอยนะคุณบอยไปเจออะไรมาเลยคุณเอ้ยโอ้ตอนนั้นทําใจแทบจะไม่ได้พี่ครับแล้วหลังจากนั้นยังมีเรื่องเรื่องทห้น้าตกใจอีกอย่างอือเพื่อนผม่แต่ไม่จําเลขได้ครับเลขชาวต่างมณฑลนะครับเออแล้วเขามาบวกประสมกันแล้วก็ไปซื้อหวยออถูได้กันเป็นแสนเลยถูกหวยเป็นแสนเลย ถูวเป็นแสนเลยเหมือนแกตอบแทนอ่ะที่เราสองคนไปช่วยแกใช่ครับใช่ครับเมือนกี้กแกเอาเอาเอาเอาตรงเนี้ยมาจ่ายค่ากับจักหวอโอ้ฟังแล้วขนลุกว่าคือเหมือนกับว่าแกอยู่กันสองผัวเมียตายายใช่ครับแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งคู่ใช่แล้วคงจะไม่ไม่ไม่ไม่ได้เสียจรอจริงเสียชีวิตเปนใช่ใชถูกแล้วเสียชีวิตทั้งคู่แต่แต่ด้วยคนละสาเหตุกันใช่ถูกไหมใชอแล้วเหมือนแกเหมือนแกจะห่วงบ้านหลังเนี้ย ถูกต้องแล้วครับโอแล้วคือบ้านหน้าแกเป็นบ้านจากน้ําพักน้ําแรงของแกแล้วแกสร้างขึ้นมาแล้วพอแกไม่อยู่เนี่ยแกเห็นว่าเฮ้ยปลวกเนี่ยในเมื่อมันเริ่มมีการทํารังก่อตัวขึ้นมาแน่นอนมันจะลามขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับกินทั้งบ้านแน่นอนโอ้โหแล้วอีกอย่างคือสภาพให้สภาพที่อย่างเนี้ยคือหน้าให้ปลวกขึ้นมากๆเพราะว่าพื้นดินมันชื้นครับชื้นจากน้ําอะไรอย่างเงี้ยถ้อปลวกก็ยิ่งทํารังได้ง่ายขึ้นครับ ประมาณนั้นแหละครับจากนั้นก็คือเราเราก็แยกแย้ายอกมาแล้วก็แบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไปทำบุญ<ม>ทำบุญให้ลงุลงทั<ม>้งลุงนั้นทั้งทั้งลุงทั้งป้าเนี่ยผมเ็นเชื่อไปถูกกันเราไปเรามาก็สั่นๆหรือถึงสภาพเหตุนอนในตอนนั้นแต่คนแรกที่สัมผัสที่คุยกับแกเลยเนี่ยคือการคุยทางโทรศัพท์นะฮะใช่ครับคือเพื่อนผม โออแล้วก็คุยกันเป็นกิจจารักษณะเลยตอนแรกโทรมาเหมือนจะไม่มีเสียงเหมือนมีเสียงแค่เสียงลมแต่จนแล้วจนรอดก็ได้คุยกันคุยกันจน ร, รู้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้อะไรตรงนี้ก็ไปหา <c oughs> เฮ้ยอู้พี่คือเสียงลมที่มันมาออในโทรศัพท์มันเหมือนกับเสียงลมตอนที่ผมอยู่ในบ้านอยู่ออหน้าบ้านเขาเลยอ่ะครับลักษณะมันเป็นบึงกว้างใช่ไหมพี่ออลมก็จะโกกตลอดเปนะครับ โอ้นะนะโอ้สนุกตื่นเต้นนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังคนระับฟังเรื่องราวเหล่าเนี้ยไม่ต้องไปค้นหาความจริงจะจริงจะไม่จริงผมว่าตัวของคุณบอยรู้ดีนะครับ<ช>แต่พวกรเราเนะี่ยในฐานะคนฟังเหมือนผมเม่อกี้โอ้โหคดตื่นเต้นอ่ะคือลุ้นตามอ่ะเฮ้ยคุณบอยจะไปเจออะไรต่อเจออะไรต่อเจออะไรต่อไว้แล้วเนี่ยเอ้โอ้โอโอน่ากลัวน่ากลัวสนุกตื่นเต้นลุ้นมากครับเรื่องนี้เรื่องของบ้านกลางบึง นะฮะเหตุการณ์มันย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วฮะโอ้ก็ประมาณเกือบสี่ปีเกือบเกือบสี่ปีถึงมัไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมทํางานที่ห้าปีสี่ประมาณเกือบเกือบเก้าปีแล้วโอ้ก็เกือบเกือบเก้าปีนะยคิดว่าผ่านมาเก้าปีเนี่ยฮะบ้านหลังนี้ยังอยู่ป่ะน่าจะอยู่นะอุ้ยเหรอผมว่าน่าจะเปล่าที่บ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าไปยุ่งเลยนะแล้วสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยคือ ถ้าคนที่ไม่รู้ทางเข้าไปจริงๆคุณยังไงตกบึงแน่ๆถ้าสมมุติอันนี้ถ้าสมมุติเล่นๆได้แค่คิดเล่นๆถ้าสมมุติว่าผมอยากให้คุณบอยนําทางพาไปบ้านหลังเนี้ยคิดว่าไปถูกไหมโอ้โหผมไปถูกแน่ๆออกไปไม่ถูกนะเพราะว่าพี่อย่าลืมนะอ่าตอนที่ไปเนี่ยอผมหลับ อ๋อผมหลับตลอดทางมีเด็กเพ<อ>ื่อนผมนะน่ะที่รู้เส้นทาง<อ>ถ้าพี่จะไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองถามเพื่อนให้ไม่ไม่ไมผมถามด้วยเฉยอ่อได้ <c oughs> ใครจะ <c oughs> ไปวะถ้าเกิดสมมติจะไปละพี่ผมเดี๋ยผมติดต่อเพื่อนให้แล้วให้เพื่อนอะนำทางเขาตอนตะะระยะเวลาระยะทางไปอ่ะกับเพื่อนอะผมหลับตลอดทางคือผมมาตื่นทีนตอนที่เพื่อนเนี่ยเปิดประตูแล้วลงไปถามเส้นทางเขาอ่ะฮะว่าอะไรยังไงตรงไหนอะไรยังไงเพรานั้นนี่ไม่ถ้าสมมติว่า ไม่รู้นะคิดไปคิดมาต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณบอยติดต่อเพื่อนได้แล้วเพื่อนบอกเฮ้ยจําทางได้เออถ้าเราว่างตรงกันอยากให้พาไปดูอยากเห็นน่ะไม่มีปัญหาเลยเอออาจจะส่งไอ้เจ้าวีววีเดินเข้าไปก็ได้ดีเลยครับให้เ่องมองหน้ามันละตัววอนเลยบอกพี่เมื่อกี้นั่งว่าพี่ไปออกเดินสายงอกกันเถอะพี่ออกนอกกันเถอะบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็น ให้นําเลยนะครับจำคนเดียวเอออันนี้น่าสนใจครับถ้าสมมุติว่ายังจําได้นะได้พี่ได้เดนะี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากให้พี่บัตรลองเช็คไปที่คุณบอยเรื่อยๆก็แล้วกันได้ครับได้นะครับอะ่ะได้ครับโอ้วันนี้คุณบอยขอบคุณม า, มากๆตื่นเต้นมากๆสาหรับบ้านกลางบึงวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากครับนะะแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกติดต่อมาได้เลยนะได้ครับโอเคได้ครับขอบคุณครับคุณบอย ขอบคุณครับพี่แจกรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ